กรรมฐานที่เรียนนี่ไม่เหมาะกับเราอันที่สองเราทําตัวไม่เหมาะกับกรรมฐานอันไหนจะเยอะกว่ากัน <c oughs> ขี้เกียจซะเลยเยอะนะวบางคนขอย่อนไปเลยหลวงพ่ไม่ได้เจตนาว่าหรอกเคยคุย <c oughs> <c oughs> ครูบาอาจารย์บางองค์บอกจุดอ่อนของครวาญเลยนะคือความต่อเ น, นื่องไม่จริงจังอะ่ะธรรมะมของจริงนะ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 ในข้อถามนักปฏิบัตินักดูจิตจิตไหลไปหารูปนามหรือรูปนามไหลมาหาจิตอืมโอ้เก่งเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ไปหัดดูเลยด้วยนะดูไปเรยดูว่าจริงๆเป็นยังไงนะเี่ก็ถูกแล้วแหละนะแต่ว่ามันถูกด้วยการชี้นานะงั้นเราไปหัดดูของจริงนะเห็นจิตมันไหลไปจิตเกิดจากอะไร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 พวกเราได้กลิ่นอย่างนี้หอมแมงวันได้กลิ่นก็หอมเหมือนกันไอ้นี่กลิ่นไม่เลือกอะ่ะนะไอ้นี่มันทำบุญมัดดีนะเจออะไรหอมหมดเลยนะอ้าแปนโมงพอดีอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์นะครับ